ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่นําออกจากวัตทุกขเพ่อไหลเพราะเป็นไปเพื่อราค่าเป็นไปเพื่อประกอบนะไว้ในทุกข์เป็นไปเพื่อมีอุปาทานเป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านเป็นไปเพื่อคลุกคลีเป็นไปเพื่อความสังสมแต่วัตตะขณะเดียวกันเป็นไปเพื่อปฏิเสธข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะเป็นวิธีการที่ปฏิเสธข้อปฏิบัติ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 อันนี้เป็นข้ออ้างว่าสอบสวนเป็นไปตามหลัก8ประการเหล่านี้ไหมถ้าเป็นไปตามหลัก8ประการนี้รู้โดยส่วนเดียวว่าถูกต้องแล้วละ่ะนั่นเป็นไปเพื่ออันนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่สําคัญรู้จักสอบสวนเทียบเคียงในพระพระตรัยปิฎกสูตรคือพระตรัยปิฎกวินัยคือวินัยมีการกําจัดราคะเป็นต้นพราะนั้นสอบสวนใน พระตรายปิฎกสอบสวนโดยเฉพาะสอบสวนโคตรมีสูตรนี่แหละนะสอบสวนโคตรมีสูตรสอบสวนปิฎกสามอนะถ้าเป็นไปได้ลงตัวก็จำเอาไว้เถอะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ทิ้งซะนะทิ้งเหมือนอะไรก็ทิ้งเหมือนกับนะทิ้งกระจับทิ้งอะไรไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรอาวอนเนี่ยนะก็เหมือนผักเน่าไปแล้วไม่ต้องเก็บเอาไว้รอก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 แต่ถ้าหากว่าบทพยัญชนะเหล่านั้นสอบสวนในพระสูตรคือปิดศ3สามเทียบเคียงในวิไนาการกําจัดราคาเป็นต้นลงกันในสูตรได้เทียบเคียงในวิไนได้เธอพึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและภิกษุสงฆ์นั้นจำมาถูกต้องแล้วแน่นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้ออ้างใหญ่ข้อที่สองอันนี้เอาไว้ ในข้อต่อไปอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเทระมากรูปอยู่ในอาวาสนูนเป็นพหูสูตรโอ้แต่และองค์นี่เก่งมากเรียนเยอะเหมนั้นมีอาคมอันมาถึงแล้วแปลว่าทุกองค์ทรงพระไตรปิฎกเหมนกั น, นเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยและทรงมาติกา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 ถ้าบทพยัญชนะสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงได้ในสูตรเทียบเคียงได้ในพระวินัยเธอพึงทําความตกลงใจได้เธอว่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระเทระเหล่านั้นจํามาถูกต้องแน่นอนที่สูตรทั้งหลายอันนี้พวกเธอพึงจํามหาประเทศข้อที่สามนนี้ไว้ให้ดี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 แล้วตรงกันข้ามถ้าเทียบเคียงแล้วถูกต้องหมดเลย น, นะก็ยืนยันบอกนี้แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระเถระเหล่านั้นจําไว้ถูกต้องแล้วอันพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอพึงจํามหาประเทศข้อกล่าวอ้างใหญ่ๆทั้งสีข้อนี้เอาไว้ดีพวกเธอพึงจํามหาประเทศเหล่านี้ให้ดีด้วยประการชนี้อันนี้เท่ากับยืนยันมากเลยนะ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 เป็นไปเพื่อไม่ประกอบไว้ในทุกข์เป็นไปเพื่อไม่มีอุปาทานเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่คลุกคลีด้วยมู่ไม่สั่งสมเอาไว้ในวะตะัตตนนี่แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแน่นอนนี่นนะแล้วก็อีกหลักอันหนึ่งนี่นะอีกหลักหนึ่งที่อตถะทายกมาเพื่อที่จะเป็นข้อประกอบ วิธีการตรวจสอบธรรมวินัยในหน้า406กล่าวว่าพระสูตรคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีมหาประเทศสมหาประเทศสี่คือที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ในขันธกะในขันธกะคือในวินัยปิฎกเนี่ยนะก็มีมหาประเทศอีกสและทั่วทั่วไปก็มีปัญหาพยากรณ์อีก4ี่มีสุตตะอีกหนึ่งมีสุตตานุโลมัจจริยวาตอัตโนมัตและก็สังคีติทั้งสม อันนี้คือวิธีตรวจสอบเนี่ยนะว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยนะมั่นใจได้ขนาดไหน น, นะท่านก็ให้หลักวินิจฉัยเอาไว้หลักวินิจฉัยเพื่อความมั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรถือเอาหรือไม่ควรถือเอาเนี่ยนะก็เมเกก็อ้างไปแล้วหนึ่งหนึ่งระบบใช่ไหมหนึ่งแบบฟอร์มแบบฟอร์มที่หนึ่งก็คือใครจะอ้างพระพุ้ธตเจ้าอ้างคณะสงฆ์แม้จักเยอะมากหรืออ้างหลายรูปหรือจะอ้างรูปใดรูปหนึ่งก็ช่างเถอะถ้าไม่เป็นไปตามสูตรและวินัยก็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 พระวิ น, ยนัยนในพระวินัยเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นเช่นว่าอันนี้ฉันได้ไหมไม่ได้ไหมเป็นต้นอันนี้ยูได้ไหมยูหรื อ, อยูไม่ได้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อะไรเป็นต้นก็มาเทียบดูว่ามันแนวโน้มจะเข้าได้กับข้อไหนนะก็ไปเทียบเคียงกันเอาอันนี้กลุ่มที่สองอันนั้นทวนอีกครั้งนี่กลุ่มแรกมหาประเทศตามมหาปริญญิพานสูตรกลุ่มที่สองมหาประเทศตามขันตกะคือในวินัย น, นี่กลุ่มที่3คือปัญหาพยากรณ์สก็คือเอกังสะพยาการณียปัญหาวิ พ, ชพาาัชชาพยาการณียปัญหาปฏิปุชาพยากรณียปัญหาทัปนียปัญหาปัญหาทั้ง4ข้อนี้เรียกว่าปัญหาพยากรณ์เขาบอกว่าคําที่เราไปเรียนมาไปฟังมาไปจําที่ไหนมาก็ช่างเถอะก็มาตรวจกับปัญหาพยากรณ์สข้อนี้ก่อน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 เขาเรียกว่าแยกยนะแยกเขรียกว่าวิพัฒ ช, ช, ช, ชกากัลนียะปัญหาที่นี้ถ้าเขาถามว่าอีกอันหนึงปัญหาที่สามเขาเรียกว่าต้องสอบสวนให้ดีๆนะก่อนค่อยตอบถ้าสอบสวนไม่ดีคนตอบเนี่ยเสียไก่เลยเห้ืนกันเน่ยเขเรียกว่าขายไก่ไปเป็นเล่าๆ เ, เลยคายกิเทอร์ขายความโง่เขาคือก็ต้องพยายามสอบถามให้ดีๆว่าเขาผู้ถามเนี่ยเขาเขาอยากถามอะไร อย่างเช่นเขาถามว่าจักสุชั้นใดโสตะก็ชั้นนั้นใช่ไหมโสตะชั้นใดจักสุก็ชั้นนั้นใช่ไหมตาก็เหมือนหูหูก็เหมือนตาใช่ไหมต้องถามว่าไอ้จริงที่ท่านพูดอะท่านต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร